พระศาสดายกตัวอย่างมหาโจรเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระราชาเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์นะถ้าถามว่าในแผ่นดินไหนมีพระราชาปกครองอยู่แล้วมีมหาโจรเกิดขึ้นมหาโจรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นน่ะถามว่าเขาอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาในแผ่นดินของพระราชาเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์นะไม่ใช่ประโยชน์ เพื่อความทุกข์แกมหาชนแม้ชั้นใดบัณฑิตเพิงพ่งทราบว่าโจรในาศาสนาของพระชินเจ้า <c oughs> ก็เกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ <c oughs> เพื่อความทุกข์แกมหาชนฉะ น, นั้นแหละท่านเลยอุปมาเลยฉะ น, นั้นถ้าหากว่าใครที่หักลานพรมสอนของพระศา ส, าศาสดาก็เลยกลายเป็นมหาโจรเลยมหาโจรอย่างเงี้ย จะเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาถ้ามีความเห็นคัดค้านคําสอนของพระศาสดาก็ไม่ก็ไม่ก็คือมหาโจรใช่ไหมเกิดขึ้นในาศาสนานี้ก็หักลานชินจักรของพระเจ้านี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ท่านไปเข้าใจบอกว่าวิญญาณเป็นอย่างไรท่านถามนะียท่านก็บอกว่า วิญญาณใดวิญญาณเป็นฉไหนสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้สวยบากองกรรมได้ทั้งในส่วนดีส่วนชั่วนั้นนั้นนั่นเป็นวิญญาณพระเจ้าค่าท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสภาวะใดย่อมพูดได้ย่อมสวยอารมณ์ได้ก็สภาวะนั้นย่อมสวยบาตของกุศลกรรมได้กุศลกรรมในที่นั้นๆนะได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นวิญญาณที่ข้าพระเจ้าหมายถึงอ่างั้น ท่านพูดของท่านอย่างนี้เนละพอพระาศาสดาตําหนิเธอว่าเป็นโมฆะบุรุษเธอไปฟังมาจากใครพระาศาสดาตรัสธรรมะเป็นอนเนกว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเป็นไปคือท่านไปเข้าใจว่ายกตัวอย่างเช่นนะวิญญาณที่ทำกรรมวิญญาณนั่นแหละก็มาสวยผลของกรรมวิญญาณในทำบุญวิญญาณนั่นแหละก็มาสวยผลบุญวิญญาณนั่นแหละทําบาววิญญาณนั่นก็มาสวยผลบาปเงี้ยไปเข้าใจเงี้ย สรุก็คือเข้าใจเมล็ดมะม่วงที่ปลูกกับเมล็ดมะม่วงที่เกิดขึ้นมาเป็นต้นเป็นเมล็ดเดียวกันใช่ไหมแต่จริงคนละเม็ดไหมจะบอกว่าไม่มาจากเม็ดเดิมได้ไหมนั่นแหละอาศัยปัจจัยลักษณะแบบเนี้ตัววิญญาณก็เหมือนกันจากครูวิญญาณโซตาวิญญาณการนวิญญาณเป็นธรรมชที่อาศัยปัจจัยเกิดอย่างนี้เป็นต้น ถ้าไม่เรียนเนี่ยถ้าไม่ฟังทำ <Innov> ก, ก็ก็แต <ส procure. S 1> ่ก่อนเราก็เข้าใจแบบนี้แหละในสังสารวัตรที่ผ่านมาก็เข้าใจแบบนี้ทุกคนเข้าใจแบบนี้มาทั้งนั้นนะแต่ว่าเพราะอ า, อาศัยพระธรรมของพรศะศาสดาเลยเปลี่ยนความเข้าใจว่าอ๋อเป็นแบบนี้ไม่ใช่คิดง่ายๆนะกว่านี้อยการคิดว่าวิญญาณนี้ไม่เที่ยงเนี่ย <Fourth. S 1> เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ย พอพระศาสดาตำหนิบอกว่าโมคาบุรุษเห็นไหมก็ตัดเรียกภิกษุว่าได้ยินว่าสาติภิกขุมีความคิดว่าพระศาสดาตรัสเรียกเราว่าโมคาบุรุษเราจะมีเราจะไม่มีอุปนิสัยมรรคผลทั้งหลายเพียงเพราะตรัสว่าโมคาบุรุษเท่านั้นก็หาไม่ได้เพราะเพราะท่านบอกว่า แม้พระอุปเสสนะวังคันตบุตรแก้เถียงในใจแก้เถียงในใจพระบรมศ า, ศาสดาก็ตรัสบอกว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษเหมือนกันเวียนมาก็ความเป็นผู้มักมากเร็วนะักว่างนั้นแต่ภายหลังพระอุปเสสนะเนี่ยสืบเขาว่าสืบต่ออยู่พยายามอยู่เพียรพยายามอยู่ในส่วนจริงท่านทําอาภิญญาเกิดอภิญยาหกได้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ แม่เราก็จะระดมความเพียรบนความเห็นที่มีอยู่นี่แหละใช่ไหมก็จะทำให้แจ้งซึ่งพินญาหกได้เหมือนกันว่างั้นเราก็จะทำมรรคผลได้พระสัสดาก็ทราบความคิดของเธอแล้วพอทราบก็ตำหนิซ้ำเขาอีกเลยเดีนี้บอกว่าบอกว่าเธอนั้นมีปัจจัยอันขาดแล้ว เป็นผู้มีธรรมไม่งอกเงยในศาสนาของพระชินพระเจ้าที่จริงในคําสอนตรงเนี้ไม่ได้ตรัสโดยตรงอย่างนี้นะแต่ต้องขยายสูตรเป็นนะต้องขยายพุทธพจน์เป็นนะถึงจะเข้าใจตรงเนี้ท่านใช้คําว่าสภาวะที่พูดได้เป็นต้นเราเนี่ยนะพระศาสดาก็ตรัสบอกไงพิกพวกเธอจะสําคัญความข้อาสาติปิคุกเกวัตะบุตรเป็นต้นเมื่อพิกสูกราบทูลอย่างนี้แล้วก็คอตกเนี่ยนะ ลำดับนั้นพระศ า, าสดาทรงทราบว่าสาติภิกขุเนี่ยนะเกวัตบุตรนั่งนิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบสาวพูดไม่ออกก็ตรัสบอกมัวข้าบุุษเธอจักปรากฏด้วยทิฏฐิอลามกของตน น, นั้นน่ะคำคำนี้เป็นคำตำหนิตรงนี้ที่ท่านขยายขยายบอกว่าเพราะท่านไปดําำหลิในใจว่าท่านจะเพียรพยายามและท่านก็จะทมามรรคผลให้เกิดได้ เหมือนกับพระอุปเสส น, นะถูกตำเหนียวโมขาบาวบดแต่พระอุปเสส น, นะท่านสละใช่ไหมท่านสละอันคนละเรื่องกันเนี่ยนะท่านก็จะพยายามและจะทํามรรคผลให้เกิดได้ลําดับนั้นพระศาสดาทราบว่าเธอมีปัจจัยขาดแล้วเป็นผู้มีธรรมอันไม่งอกงามในาศาสนาของพระชินะเจ้าแล้วจึงตรัสบอกว่าท่านตรัสบอกภิกษุทั้งหลายบอกว่าเป็นผู้ทําความเจริญอันขาดแล้วนะยหมายความว่า ไม่งอกเงยในศาสนาแล้วอีกอันหนึ่งสอสนที่หนึ่งก็คือสาติตพิโกมีความคิดว่าพระศาสดาตรัสว่าทำเป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลทั้งหลายของเราไม่มีนะเมื่อทำมันเป็นอุปนิสัยไม่มีท่านก็เลยพูดต่อไปท่านคิดในใจว่าเราจะฟื้นคืนทำเป็นอุปนิสัยได้หรือไม่เพราะพระพุพพทธเจ้า ทั้งหลายไม่แสดงธรรมเฉพาะบุคคลผู้มีอุปสัยเท่านั้นย่อมแสดงแก่คนอื่นด้วยกว็งั้นนะถ้าจะได้โอวาตของพระสุคต์ในสำนักของพระเจ้าแลากก้วจะกระทำกุศลเพื่อสวรรค์สมบัติท่านบอกอ่าถ้าอย่างนั้นเราไม่เอามรรคผลก็ได้เพราะพระศ า, าสดาตรัสว่าเราไม่งอกเงยในศาสนาแล้วเราจะเอาแค่สวรรค์ท่านยังคิดต่ออีกวิธีคิดของท่านในะฮะดูนี้เนะี่ยหนึ่ง ท่านตอนตําหนิว่าโมฆะบุรุษจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นต้นนะ่นนะท่านขอตกไปเสร็จท่านก็คิดออกเลยเทีนี้ท่านบอกเอ้ยไม่เป็นไรพระอุปเสสนะก็บรรลุได้เพาโดนตําหนิอย่างนี้ไม่เป็นไรเราก็จะเพียรพยายามเต็มที่ในส่วนจริงเราจะทํามากผลให้ได้ในชาตินี้พระศาสดาก็บอกว่าเธอนั้นตัดรากนะไม่งอกเงยในศาสนาของพระชินเจ้าแลนะ้วนะเพราะ ง, งั้นจะไม่ได้มากผลและโดยตรงคืออย่างนั้นนะ่ะท่านก็คิดใหม่ที่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็เพียรพยายามในการเอาสวรรค์ก็ได้ถ้างั้นมรรคผลไม่ได้ก็เอาสุขติไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปทํามรรคผลในชาติต่อไปเอาใครๆคิดแบบนี้ชาตินี้สงสัยเราไม่ให้บรรลุเนี่ยเดี๋ยวเอาเทวดาไว้ก่อนไปอยู่บนชั้นโน้นเดี๋ยวต่อสวรรค์แล้วก็ต่อมรรคผลในนั้นลำดับข้ายอย่างนี้พระาศาสดาก็เลยบอกว่าตัดแก่สาติบอกว่าโมคบุรุษเราไม่ให้โอวาดหรืออนุสาสนีแก่เธอ เมื่อจะทรงงดประธานโอวาทของพระสุคตเจ้าจึงเริ่มเทศนาเนื้อความตามลำดับดังที่ได้กล่าวนะัพระาศาสดาไม่ไม่มองแล้วทำไมไม่มองพระาศาสดาบอกว่าเอาส่วนใหญ่ไว้ถ้าขืนใครไปครบไปครบสาติพิคุถ้าได้พวกมากจะเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นหลักเป็นตอที่กลับมา ทำลายศาสนาของพระชินนาเจ้าพราะศาสดาก็ให้อวาตภิกษุอื่นแล้วก็กันเธอออกไปเลยนี่นะ <c oughs> เรียบร้อยเลย <c oughs> เพราะไม่เห็นแม้กระทั่งสวรรคสมบัติในในอัธยาศาัยของสาติตพิคูลเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถ้าเราดูฟังสาติตพิคูแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามีโอกาสจะเป็นไหม <c oughs> มีไม่มี <c oughs> มีโอกาสจะเป็นอย่างท่านไหมเนี่ย ก็ขานาดท่านวท่านบวได้เจ้าใช่ไหม MM? <Research. S 1> เอางี้ใครเคยเข้าใจใครใครยังเห็นว่าเที่ยงไหมเ <c oughs> นยเอางี้นะว่าที่ไปนั่งกินข้าวตรงนั้นกับมานั่งตรงนี้คนเดียวกันไหม <c oughs> คนเดียวกันหรือเปล่า ก็ละคนเราเข้าใจอย่างนั้นจริงวะเห็นกระบวนการสืบต่อกันชัดมหมยังไม่ชัดนี่ยคือถึงบอกไงบางทีเนี่ยความเห็นความเห็นของเราเนี่ยยังมีจุดเที่ยงอยู่เยอะ ยังสําคัญว่าเที่ยงอยู่เยอะใช่ไหมตรงนี้ในชั้นของคําสอนท่านก็กล่าวถึงในเรื่องของวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมปุงแต่งเกิดขึ้นนะตรงนี้ภาษาสดาไม่สามารถที่จะเปลื้องสาติภิกขุที่มีทิฏฐิลามกเป็นต้นได้เมื่อไม่อาจจะเปลื้องได้เบ็ดเสร็จก็พาไปเฝ้าภาษาสดาภาษาสดาก็ถามตามลําดับดังได้กล่าวในสูตรนี้แหละและภาษาสดาก็โทษของมิจฉาทิฏฐิ ที่บอกพระพุดูก่อนสาติเธอมีความเห็นลามกใช่ไหมเนี่ยท่านบอกสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้สวยบาของกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้ทั้งส่วนชั่วส่วนดีนั้นๆ น, น, นั้นเป็นวิญญาณว่างั้นพระศาสดาก็เลยตรัสโมฆะบุรุษต่างๆเหล่านี้เลยก็กดูสุขดูก่อนโมฆะบุรุษวิญญาณอาศัยประชัยประชุมปุงแต่งเกิดขึ้นเล่ากล่าวโดยอเนกปริยายไม่ใช่หรือเป็นต้นก็กล่าวเป็นไปตามลําดับแล้วก็ตําหนิบอกว่า ความเห็นของเธอจักเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อตลอดกาลนานเป็นไปเพื่อทุกตลอดกาลนานเนครั้งนั้นพระาศาสดาก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายนี้แปละว่าละและไม่โอวานุศาสนีแก่สาติภิกขุและไม่ให้โอวาาและเพราะว่าเป็นผู้ที่ประดุดดังพวกมีรากขาดเสร็จแล้วไม่เจริญงอกงามในาศาสนาของพระชินพะเจ้าแล้วพระเจ้าก็เลยเอาส่วนใหญ่เข้าไว้เพื่อจะไม่ให้ภิกษุเช่นกับ สาติพิคุกเยวับุตรเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาทําลายเป็นเสี้ยนน้ำในหลักต่อของาศาสนาของพระพภาธเจ้าพระาศาสดาก็ให้ส่วนใหญ่ได้เกิดความเข้าใจในพระธรรมวินยัยนี่เราก็มาพิจารณาในยุคหลังๆมานะพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาก็ถูกสืบทอดมาตามลำดับแต่การศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นจากชั่วคนสู่ชั่วคนต่างๆเหล่านี้ ถ้าถามในปัจจุบันนี้ก็าถามว่าส่วนถูกกับส่วนไม่ถูกอันไหนเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยนี่ก็ไปวิจัยดูนะอันนี้ไปวิจัยดูว่าตอนนี้ใครที่อาจฐานได้ใช่ไหมรวมพวกได้มากแล้วก็ทำส่วนถูกต้องน่ะให้เกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นคณะได้อย่างกว้างขวางส่วนไหนใช่ไหก็ต้องไปดูและส่วนไหนต้องอยู่แแบบแอ บ, บแอลบๆบเนี่ยนะคุณต้องไปดูแหละตเนี้ย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเลยเนี่ยพราะปล่อยแบบสาติตพิกขูกเกวัตบุรมากเกินไปพุทธบริษัทเนี่ย น, นะปล่อยอย่างนี้มากเกินไปพระศาสด า, า, า, า, าทาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าอย่าปล่อยแบบนี้ให้เกิดมากนะให้เรียบจัดการนะละไรต่างให้ได้ป้องกันนะสิ่งที่ไม่ถูกทั้งหลายให้ช่วยกันแล้วที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนกันทั้งหลายก็แล้วแต่ก็ช่วยกันเนี่ย อย่าไปเปิดสิ่งที่มันไม่ถูกออกมาสู่สายตาของประชาชนก็ให้ใช่ไหมแล้วก็เป็นการเป็นการไปช่วยสาติพิกขุให้ขยายวงจรความเข้าใจผิดในพระธรรมวินัยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะหาที่ยืนกันยังไง <c oughs> สัมมาทิฏฐิก็จะไม่ค่อยได้ที่ยืนกันแล้วทีหลบๆซ่อนๆกันไปพอมองเห็นไหมนี่ก็ช่วยกันดูก่อนพิกษุทั้งหลายนะพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนาสาติพิกขุ ผู้เกวตตบุตรนี้จะผู้มีความทาความจะเป็นผู้ทำความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บ้างหรือไม่แปลว่าไม่เจริญภิกษุก็กราบทูลว่าข้อนั้นจะมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุยืนยันถ้าจะถามในยุคนี้ให้ยืนยันก็จะยืนยันยังไงระหว่างสิ่งผิดสิ่งถูก ถ้าไปหวดเสียงคะแนนเสียงกันจริงๆเนี่ยเอาไงดีเนี่ยอันนี้วาดกันที่ตอนนั้นกะะนาลยานมิตรเยอะนผู้เป็นพระหูสูตรมีมากแต่ละอย่าไปท่อนะการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอย่าท้อพิ <c oughs> สูตรทั้งหลายกาบทูนว่าสาธิพิขูผู้เกวัตบุตรก็นั่งนิ่งกระดาษคอตกก้มหน้าเซบเซาหมดปฏิพาน ลำดับนั้นพระบรมศาสดาทราบว่าสาติภิกขูเนี่ยมีความเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตรัสแกเธอว่าดูก่อนโมคาบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฐิอลาโมกของตนนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ตรงนี้ก็แปลว่าพระศาสดาตัดและตอนหลังสุดก็คือท่านบอกว่าท่านจะเอาสวรรค์อย่างนึงพระศาสดาก็ปิดมุมอีกว่าสวรรค์ก็ไม่ได้แล้วท่านไม่ได้แม้กระทั่งสวรรค์สมบัติ ถ้าสวรรค์สมบัติแปลว่ามนุษย์สมบัติได้ไหมไม่ได้ปิดมนุษย์สมบัติด้วยนะ<ม>สุขติสมบัติเนี่ยกินความถึงมนุษย์สรุปแล้วสาติตพิขุไม่ได้สวรรค์สมบัติไม่ได้สุขติด้วยนะไม่ได้สุขติพบได้ทุคติโดยเสื่อนเดียวอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ท่านก็เจ็บปวดอยู่ท่านก็เจ็บปวดอยู่อยากไปเยี่ยมไหม <c oughs> <laughs> <c oughs> ไม่เอาเลยไม่เอาลำดับนั้นพระบรามศ า, าสดาก็เลยตรัสนะบอกว่าจะประสบบาปที่บอกว่าพวก菩萨พวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้ว <c oughs> เหมือนสาติพิกขุที่กล่าวตูเราด้วย เนี่ยก่าวตูเราในที่นั้นคือก่าวตูสัพพยุตยานก่าวตูชินจักกล่าวตูอนาวรณญญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวสารัชยานสี่ของภาษาสดาภาษาสดาตรัสธรรมด้วยองค์อาจนะประดุจตังราชาสีเพราะตรัส ด, ด้วยสัพพยุตยานรู้แจ้งทะลุทะลวงด้วยการบําเพ็ญมาแต่มีบุคคลที่ไม่มีบารมีทำใดๆมาก ก็ไม่ได้บําเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างถูกต้องไปกล่าวตูนอันนี้น่าน่าน่ากลัวมากขุดตนขุดตนเสียด้วยจะขุดตนขุดตนเสียเสียด้วยนะ่ะมีประโยคติดกันขุดตนในที่นี้ก็คือว่าขุดกระแสชีวิตของตนเองออกจากศาสนาของพระชินเจ้าก็เรียกขุดตนใช่ไหมตนเองน่าจะเจริญงอกงามในศาสนาของพระชินเจ้าก็ขุดออกซะนี่ไม่ขุดตนเองจับตนเองออกออกจากฐานด้วย จะประสบบาปไม่ใช่บุญอันมากด้วยแล้วก็เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วถือแล้วไม่ยอมปล่อยภิกษุก็กราบทูลนะข้อนี้ไม่มีเลยเป็นต้นเหรอเนั้นวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเพราะพระมศาสดาตรัสแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกแล้วความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่มีว่างั้นพระศาสดาก็ตรัสว่าดีและดีและเป็นต้นเหรอเนี้ยพระศาสดาก็ตรัสเลยดูก่อนภิกษุหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้น เรากล่าวโดยเอกปริยายความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีแต่สาติภิกขุผู้เกวัตบุตรกล่าวตัวเราด้วยขุดตนด้วยจะประสบบาปไม่ใช่บุญด้วยเนาะเพราะทิฏฐิลามกที่ถือว่าชั่วเนี่ยความเห็นนั้นของบัวคาบุรุษนั้นจะเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์และจะประสบทุกตลอดกาลนานตอนนี้ท่านประสบทุกท่านเรียบร้อยเนาะตอนนี้ท่านก็พระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิด พระศาสดาตร on, <min> ัสว hm ่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นถึงความนับเนื่องด้วยปัจจัยในนั้นนี่ก็ยกตัวอย่างเลยวิญญาณอาศัยจักระและรูปเกิดขึ้นก็เรียกว่าจักขคูวิญญาณเห็นไหมทั้งที่เราเรียกว่าจักรคูวิญญาณจักขคูวิญญาณเนี่ยเพราะจักขคูวิญญาณนี่ไปอาศัยจักขคูวัตถุเกิดแล้วอาศัยรูปอารมณ์เกิดขึ้นวิญญาณใดที่อาศัยจักขคูวัตถุเกิดและอาศัยรูปอารมณ์ มีการรับอารมณ์เป็นอารมณ์ะนะปัจจัยนะวิญญาณนั้นเรียกว่าจักรวิญญาณเห็นไหเรียกไปตามปัจจัยนั้นนั้นไม่ใช่ว่าวิญญาณจะเที่ยงแต่ที่ไหนอาศัยปัจจัยประชุมปุงแต่งวิญญาณแต่ก่อนก็ไม่มีแต่พอมีปัจจัยไงถ้าอาดีตถ้าปัจจัยในอดีตก็มีอะไรอวิชาตันหาแ ล, ล้วกำใช่ไหม เป็นปัจจัยเกิดจากขุัญาณทั้งที่เป็นกุศลจากควัญญาณและอกุศลจากควัญญาณตัวจักรสุวิญญาณเนี่ยไม่ใช่อาศัยปัจจัยในอดีตอย่างเดียวเท่านั้นแม้มาเกิดในปัจจุบันก็ต้องอาศัยปัจจัยด้วยเ<ม>ช่นอาศัยจกักปรคสป萨อาศัยรูปอารมณ์ไม่ใช่แค่นั้นนะยังอาศัยพวกสัมมาเยสต์ปัจจัยยังอาศัยกลุ่มอนันตระปัจจัยอยีกเยอะใช่ไหมอย่างนี้ปัจจัยอยีกมากมายทั้งด้านของอา ร, รมณัตทั้งชาอาชาตชาติก็ได้ ทั้งอารามนาชาติก็ได้ทั้งวัตถุปริชาติชาติก็ได้อนันตราชาติก็ได้แล้วก็ปัจฉาชาติชาติยังได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปากปตูปริสยหรือกรรมปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถ้าถ้ามองว่าจริงๆแล้วสภาวะธรรมคือจักขุวิญญาณเป็นต้นอาศัยปัจจัยวิญญาณอาศัยโสตประสาทและเสียงเกิดขึ้นหรือโสตวัตถุนะ และเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นจึงนับว่าโสตวิญญาณนี้เป็นหลักปฏิบัตินะ่นี่เป็นหลักปฏิบัตินีที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเราจะพิจารณาจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายแยมวิญญาณโมโยญานนี่นะเราก็ต้องดูว่าวัตถุที่เป็นที่อาศัยของวิญญาณเหล่านี้คืออะไรจากขูวัตถุโสตวัตถุคานาวัตถุชิวหาวัตถุกายยวัตถุหัตถยวัตถุแล้วก็จะต้องอาศัยอารมณ์ รูปารมศัทธารมกันธารมรัศสารมโหสถารมแล้วก็ธรรมารลมเนี่ยนะถ้าเข้าใจเงี้ยแล้วเข้าใจที่เป็นไปกับวิถีจากขุทวาวรลวิถีโสตถาวรวิถีคณะถ า, าวรวิถีคิวหากาย่มโนถาวรวิถีแต่และวิถีลงสู่มโนทวาวรยังไงเนี่ยการเข้าใจนีน้คือหลักปฏิบัติเลยที่เรากําลังศึกษากันอยู่นี่แหละแต่กระบวนการเหล่านี้ท่านสาติภิกขุไม่วิจัยกระบวนกระบวนการของสันตติคณะสมุหะคณะแล้วก็ กิจจคณะของนามของรูปของรูปนามเหล่านี้ท่านก็เลยพลาดไปไปเห็นว่าวิญญาณเที่ยงแต่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแตกดับตรงนั้นแต่มีวิญญาณซึ่งเป็นประธานตทงนั้นแหละเที่ยงแท้และเป็นสภาวะที่พูดได้สภาวะที่เสวยสุขทุกข์ด้วยใช่ไหมไอ้ตัวรับบุญรับบาปคือตัวนี้แหละเมื่อทำเบเศเสร็จแล้วก็มารับ ยึดเลยแสดงว่าคิดมาหลายหลายเดือนหลายปีวิญญาณอาศัยคานะคานะวัตถุและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ออกถึงการนาบคานะวิญญาณคําว่าอาศัยคานะเนี่ยอาศัยในฐานะเป็นอะไรอาศัอาายอะไรอาศัยในฐานะเป็นวัตถุใช่ไหมเป็นปุเรชาติปัจจัยไหมวัตถุปุเรชาติ วัตถุอะไรเป็นวัตถุอะไรวัตถุปเรชาตาณิสยะใช่ไหมเป็นอินทรีย์ได้ไหมปเรชาตินทริยะเป็นอินทรีย์ได้เป็นจักขุนเสียงใช่ไหมวัตถุปเรชาตวิบได้ไหมได้ใช่ไหมเป็นวิประยุทธ์ด้เพราะรูปกันนามนี่เป็นวิประยุทธ์เนี่ยใช่ไหมเนี่ย แล้วคําว่าอาศัยกินล่ะอาศัยแบบไหนในฐานะเป็นอะไรเป็นอาเป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณ์ปุเรชาติได้ไหมเห็นไหมเป็นอารมณ์มณด้วยและเกิดก่อนด้วยเป็นอารมณปุเรชาตะตถิด้วยมีอยู่ด้อารมณ์นั่นเแล้วก็เป็นอวิคตะปัจจัยด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ก็เรียกว่า อาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายก็เรียกว่าคานะวิญญาณนี่เกิดในคานะทวารวิถีวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงการนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและโผฏฐาพทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงการนับว่าเป็นกายวิญญาณวิญญาณอาศัยมณ ะ, ะอาศัยใจและทำอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นอาศัยมโนมโนในที่นั้นหมายถึงมโนวทวาร น, นะ วิญญาณอาศัยถามบอกว่ามโนวิญญาณเนี่ยอาศัยผวังไห ม, ม น, นั่นแหละอาศัยผวังเป็นอนันตระสมานันตระอนันตรูปนิสยาณทิวิคตะก็เลยนับว่าเป็นมโนวิญญาณและทำอารมณ์เกิดขึ้นก็เรียกมโนวิญญาณนั้นตัวมโนวิญญาณเนี่ยเป็นพวกชาวนะก็ดีเนี่ยนะพวกกลุ่มมโนทวารลาวัชนะเป็นต้นก็ดีเนี่ยกลุ่มเหล่านี้อาศัยมโนมโนทวารแล้วก็ทำอารมณ์ กิดขึ้นจริงๆก็คืออาศัยหัตถเยื่ถูด้วยนี่ท่านก็เลยอุปมาเปรียบเสมือนเนี่ยไฟอาศัยเชื้อใดๆเกิดขึ้นก็เรียกนับว่าเป็นเป็นเชื้อนั้นๆเลยไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็เรียกไฟไม้ไฟอาศัยป่าติดขึ้นก็เรียกไฟป่าเอาเรียกนั้นจริงๆนะไฟไม้ไฟป่าไฟฐานไฟหญ้าไฟโคลไฟแก่ไฟอยากเยื่อเพราะไม่อยากเยื่อบอไฟอยากเยื่อนี่ไหม พออยู่กับกลองไม่ขีดบอกไฟขีดไม่ขีดไม่ขีด ไ, ไ, ไปเพนาะฉนั้นนับไปตามนั้น <S <S าาพระาศาสดาก็เรียกไปตามตามปัจจัยของสิ่งนั้นนั้นอันนี้ก็เลยยกตัวอย่างนี้เห็นชัดเลยมองเห็นชัดไหมเป็นไงเห็นชัดไหมทีน้ำมิธาเห็นชัดไหมเห็นชัดเห็นชดันชดไม่ไหดก่อนพิกเซอทั้งหลายบอกว่า ฉันนั้นเหมือนกันแล้ววิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงนับว่าด้วยปัจจัยนั้นๆอันนี้เริ่มเข้าใจนะว่าเออที่เราเรียกจักรคูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญา ณ, าญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณมน โ, ม น, โมนวิญญาณสรุปแล้วก็คือมีวิญญาณเหล่านี้ <c oughs> นี่แหละที่เราเอาไปขยายเป็นวิญญาณเยอะแยะเป็นจิตมีราคาจิตปราศจากราคามีโทสะปราศจากโทสะเป็นต้นนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเราทั้งหลายเมื่อรู้ปัจจัยของเขาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย นี่เห็นไหมว่าพระพระบรมศาสดาสอนเนี่ยแต่สภาวะลักษณะของจกักขูญญานต้องไปเรียนเองนะตอนนี้ต้องมาสืบค้นจากคําสอนในสูตรต่างๆพระอักถรฐานดีกาทั้งหลายท่านขยายไว้ด้วยนะถ้างั้นเราจะไม่รู้อยู่ๆแล้วมาบอกจกักขูญยาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยกวิญญาณมโนวิญญาณอยู่ไหมถ้าเราเรียนเรื่องจิตเรื่องเจสิกมาดีแล้วก็เอยชัดเลยแตนี่แต่ถ้าเรียนแล้วลืมอะกลับไปดูใหม่ อย่างเงี้ยจะได้เข้าใจใช่ไหมพอมาอ่านตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็จะได้เข้าใจชัดเลยวิญญาณอาศัยจักรคูและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นกันนับว่าจักรคูวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตตาและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นกันนับว่าโสตาวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นกันนับว่าคานาวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นกันนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายผลิภัณฑ์ทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงการนะว่ากายยวิญญาณวิญญาณอาศัยมนโนและอาศัยธรรมารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็เรียกว่ามนโนวิญญาณเนี่ยตรงนี้ย่อในสูตรเนี้ยย่อไว้แค่นี้แท้จริงในรายละเอียดเยอะวิญญาณอาศัยปัจจัยเบียเศต์ต่อมาพระศ า, ศาสดาก็เลยถามบอกเลยถามบอกว่าเธอทั้งหลายเห็นขันธปัญญากาเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ถามว่มาภิกษุนั้นก็เห็นพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายขันธปัญญากาเกิดเพราะ อาหารเกิดหรือบอกว่ารูปขันเวทนาขั น, น, ขนสัญญาสังขารวิญญาณ เ, เกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่อาหารในที่นี้เป็นชื่อของปัจจัยอันนี้เริ่มว่าโอ้แสดงสรุปเลยแต่เนี้ยว่ารูปขันเวทนาขั น, น, ขนสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้น น, น, นั้นต้องอาศัยปัจจัยเป็นไปอยู่นี่สอนปัจจัยแล้วพระาศาสดาสอนปัจจัยแล้ว เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธปัญจการเกิดเพราะอาหารหรือภิกษุก็บอกว่าพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธปัญจการที่เกิดแล้วมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารหรือนั้นหรือพระก็บอกว่าพระพุทธเจ้าค่าเห็นไหมสรุปให้เห็นชัดว่าตัวขันห้าคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดเพราะอาหารเกิดเพราะปัจจัยเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับเพราะ เพราะอะไรปัจจัยดับ อ, อ, ะอะไรเป็นปัจจัยแกการดับขันหอย่างถ้าวนอราราธมัคใช่ไหม <c oughs> คือปริญิาพานจิตเตี่ยน่นแหละปริญญาภานจุตเตี่ยนั่นแหละเป็นความดับอย่างเท <c oughs> ้าวอเธอทั้งหลายเห็นว่าขันทั้งยากาศที่เกิดแล้วนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับไปแห่งอาหารหรือภิกษุ ตรัสตอบว่าพระพุทธเจ้าข้าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเครือบแคลงว่าขันธปัญญากาศนี้หรือนี้มีหรือไม่มีมีบ้างหรือไม่ถามพระพระบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะนะภาษาตาความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเครือบแคลงว่าขันธปัญญากาศเกิดเพราะอาหารนั้นนั้นหรือไม่บอกว่าเป็นอย่างนั้น ความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเครือบแคลงว่าขันธปัญรกาศมีความดับเป็นธรรมดาเพราะการดับเป็นอาหารเลีเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าวว่าไงนเป็นบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าขันธปัญจกาศเกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วได้หรือไม่ถ้าหากว่าเห็นเห็นเหตุเกิดนะเห็นปัจจัยเกิดด้วยเห็นสภาวะเห่งการเกิดขึ้นของขันหเป็นต้นด้วย เห็นด้วยปัญญาณชอบตามความเป็นจริงว่าขันธปัญจกะเกิดเพราะอาหารนั่นแหละก็จะละความสงสัยได้อันนี้พระนั่นก็กรอบรับรองเป็นไปตามลําดับแล้วเห็นโดยปัญญาณชอบตามความเป็นจริงเพื่อจะให้กระจายความสงสัยเป็นต้นเหล่านี้นะตรงนี้พระศ า, าสดาก็มาสรุปเรื่องอาหารสี่ก็ตัดเรื่องอาหารสี่เลยบอกว่าอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่ก็คือตันหาเป็นเหตุตันหาเป็นสมุทยัยตันหาเป็นชาติ ตัณหาเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายตัณหามีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าอาหาร4ี่นะอาหารสี่มีอะไรกาวะลิงกราอาหารอาหารที่หยาบหรือละเอียดภาษาอาหารภาษาอาหารก็คือภาษาเนี่ยแหละแล้วก็มโนโสัญเจตนาอาหารก็ตัวกรรมไงเจตนากรรมทั้งหลายวิญญาณอาหารก็พวกจักขูวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้ น, นถามว่าอาหารเหล่านี้เกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัยว่าตัณหาเกิดไงไล่ไปตามลําดับนะตัณหาเป็นแดนเกิด แล้วอะไรเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเวทนาอะไรเป็นปัจจัยแก่เวทน า, าก็ภาษาใช่ั้ยแล้วอะไรเป็นปัจจัยแก่ภาษาเขาบอกภาษาเป็นสมุทยมีภาษาเป็นชาติมีภาษาเป็นแดนเกิดภิกษุอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นสมุทยอะไรเป็นแดนเกิดนะนะแห่งภาษาก็บ่าสรายตนะ อะไรเป็นปัจจัยแก่สราญตนะกรนามรูปอะไรเป็นปัจจัยแก่นามรูปก็วิญญาณอะไรเป็นปัจจัยแก่วิญญาณก็คือสังขารอะไรเป็นปัจจัยแก่สังขารอวิชชาเป็นเหตุนี่ก็ไล่เป็นไปตามลําดับเพราะว่าอวิชาเป็นชาติเป็นแดนเกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดพิกตัวทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีพระอวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีพราะสังขารเป็นปัจจัย นามรูปมีพร่อวิญญาณเป็นปัจจัยสรายตระมีนามรูปเป็นปัจจัยภาษามีสรายตระนัเป็นปัจจัยเวทนาก็มีภาษาเป็นปัจจัยตัณหาก็มีเวทนาอุปาทานก็มีตัณหาพบก็มีอุปาทาชาติก็มีชาติก็มีพ่อพเนชรามรณาโศกับริเดวะทุกขโทมรัสสาอุปายาตก็มีพร่อชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นอย่งกองทุกทั้งสิ้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้นี่พระองค์ก็สอนในเรื่องปัจจัยแล้วแต่นี้ในรายละเอียดตรงนี้ ไม่ต้องขยายนะเพราะขยายไปก็ก็ก็เคยกล่าวไว้ทีนี้ต้องการจะชี้บอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี้ยเนี่ยคือการการที่ไม่เข้าใจจิตไม่เข้าใจวิญญาณพราะไม่เข้าใจวิญญาณก็เพราะอะไรให้สังเกตดูนะว่าไปเข้าใจวิญญาณผิดภาษาสดาก็ชักให้ดูเห็นเหตุหปัจจัยของวิญญาณไปตามลำดับเลยว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของวิญญาณในปัจจุบันพบนี้ด้วย ก็ไล่ตั้งแต่ว่าจักขู่ประสาทโสตาประสาทคณะประสาทเชิวหาประสาทกายะประสาทเป็นต้นแล้วก็ตรัส ถ, ถึงในเรื่องของมโนทวารตรัสในเรื่องของรูปารมณ์สตารลมคันธา ร, มารมลมรัศสารลมโหดถารล ม, รมเป็นต้นเหล่านี้ยอันนี้ไล่ไปตามลําดับแต่ในชั้นของความเข้าใจนั้นพระองค์ก็เสาะลึกลงไปตามลําดับเลยว่าวิญญาณเป็นต้นเป็นยังไงว่ามีอาหารไหมผมมีก็ไล่ไปตามดับแล้วพระองค์ก็ตรัสอาหารจีเลยกวะดิงกะลาอาหารผัดสาอาหาร วิญญาณอาหารมโนสัญมโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปขยายอีกทีดีกว่านะเพราะตัดอย่างนี้เบสเสร็จพระองค์ก็บอกอะไรเป็นปัจจัยแก่ไ อ, อ้อาหารสรีเนี้ยพระองค์ก็ตัดตัณหาเห็นไหมแล้วก็ไล่ไปตามดับอะไรเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเวทนาะะอะไรเป็นปัจจัยแก่เวทนาภาษาอะไรเป็นปะะัจจัยแก่ภาษาก็อายตนะจากอายตนะก็ไปเป็น นามรูปจากนามรูปกวิญญาณจากวิญญาณก็สังขารจากสังขารกับวิชาพราะองค์ก็วอกนี่ไงอวิชาเป็นแดนเกิดแล้วก็อาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารไหมวิญญาณนามรูปสราเยตนาผัสสะเวทนาเห็นไไล่ไปตามเดีเพราะว่าอาวิชาสังขารเนี่ยวิญญาณนี่นะต้องการให้เห็นอีกรอบนึงว่าตัววิญญาณเป็นธรรมะที่มีปัจจัยก็มาจากสังขาร น, นี่ในสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้ ทีนี้มาอีกสูตรหนึ่งทีนี้ยกในมาคันธิยสูตรนะยกในมาคันธิยสูตรตรงนี้บ่งบอกให้รู้ว่าสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาก็ประทับบนเครื่องราชที่ทาด้วย้าในโรงบูชาไฟเข้าไปเจ้าสับมาแล้วอย่างนี้นีในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภาลทวัชโคตร ท่านต้องการจะสอนบอกเราเนี่ยถูกจิตหลอกมานานแล้วมโนวิญญาณเนี่ยเพราะการไม่รอบรู้ไงไม่ไม่ได้เจริญจิตตานุปัสสนานี่แหละก็โดนจิตหลอกเข้าใจเรื่องจิตผิดพอโดนจิตหลอกท่านก็เลยยกสูตรนี่มาเลยมาคันธิยะสูตรว่าโดยปริภาโชคที่เชื่อมาคันธิยะเนี่ย ข้าพเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่บนเครื่องราชนะด้วยยาในโรงบูชาไฟของพราหมณ์พาละทวาชโคตรใกล้นิคมของชากรุเชื่อว่ากรรมาสาด ม, มะในกรุรัฐตอนนี้อยู่ไหนอยู่เดลีนะกรุรัตนี่อยู่เดลีใครไปอย่างหรือ เ, ออเล่าบางเป็นไง แต่มีเขาถ่ายภาพมาดูนีตรงเนี้ยนี่คมเนี่ยนะเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่คนฟังสูตรลึกซึ้งเนี่ยมาคันดียสูตรก็เป็นสูตรที่ลึกต้องเจาะความเข้าใจค่อนข้างเยอะถ้าจะตั้งหลักยังไงดีถ้าฟังสูตรอย่างลึกซึ้งต้องกระจัดทีน้มิทะาไหมต้องกระจัดก่อนนะ พอลึกแล้วมันจะลึกตามใช่ไหม <laughs> <laughs> พอลึกแล้วจะลึกตามเลยตอนนี้เอวัาเวล า, าศึกษาคำสอนถามว่า